มีหลายท่านได้เข้าไปในเมืองนะเพื่อไปทำวัดบรจงคณะจังหวัดก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะว่ า, าตัวเองเนี่ยได้รักษาใจเป็นอย่างไรบ้างกลับมาแล้วก็ควรจะให้คะแนนตัวเองนะว่า สอบได้หรือสอบตกหรือเปล่าบางท่านไปเข้าไปในเมืองก็จะรู้สึกมุดหงิดนะกับความพุกพล่านเสียงดังนะหรือว่าการที่ต้องรอคอยสำหรับพิธีกรรมเราจะจมุนหงิดคพูดคำจาการประพฤติตัวของ เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันแต่บางท่านก็ จ, จะเพลิดเพลินหลงไหลนะไปกับสิ่งเร้าเจ้าหยวนอาจจะเผลอใจไปซื้อนอนซื้อนี่หรือว่าไปเสผหาของกินเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกรณีใด น, นะก็ถือว่าสอบไม่ผ่านนะเพราะว่าไม่ สามารถจะทรงใจให้เป็นปกติได้แต่ก็ธรรมดานะเพราะว่าพวกเราก็เพราะพระที่เพิ่งบวชก็เพิ่งได้ปฏิบัตินะมาไม่นานอาจจะจับหลักไม่ได้หรืออาจจะสติยังไม่ไวพอในการที่จะรู้เท่าทัน อารมณ์ที่ภากระทบนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปีนี้ยังดีห น, น้ากาไม่ร้อนอีกอื่นๆนี่ถ้าลงไปข้างล่างนี้จะรู้สึกเลยว่ามันร้อนอ้าวมากเนี่ยราก็จะหงุดหิดขัดเครืองอันนี้เราปฏิฆะส่วนความเพลิดเพลอหลงไหลในสิ่งเราย้ายวน ที่อดให้ไปเสพไปซื้อไม่ได้นี่อันนี้ก็เรียกว่าเกิดกรรมชันทะก็เป็นอ่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความลืมตัวลืมตัวในทางที่ผลักไสด้วยความชังไม่ชอบลืมตัวจนเข้าไปไขวยคว้าครอบครองไยเสพ อันนี้ก็มีค่าเสมอ ก, กันนะในแง่ของสติแล้วก็ถือว่าเป็นความลืมตัวแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบททดสอบน้อยๆเนะย่อยๆแล้วก็เพื่อที่จะเตือนให้เราตระหนักว่าสำหรับคนที่บวชเพียงแค่3มเดือนนะเมื่อสึกออกไปนะก็คงจะเจออะไรที่ มากไปกว่าที่เจอในบ่ายวันนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ถือว่าสิ่งที่ได้พบภัสสะที่มากระทบในวันนี้มันก็เป็นเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยให้รู้ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะกลับไปสู่โลกภายนอกเมื่อต้องสกหาราเพศไป ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นบทเรียนสอนใจของเราไม่ว่าภาษาที่มายั่วยุให้เราเกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดหรือว่าย่อจวนให้เราเกิดความชอบหลงไหลอันนี้เนี่ยสำหรับนักปฏิบัติแล้วนะก็ถือว่ามันเป็นการบ้านเป็นโจทย์ ให้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้โดยเพราะสิ่งที่ทำให้เราเกิดความหงุดหงิดนะด้วยความชังด้วยความไม่ชอบเนี่ยธรรมชาติของใจก็อยากผลักไสไม่อยากเจอแต่ว่าเราต้องรู้จักนะรู้จักมองให้มันเป็นของดีนะของดีในง่ที่ว่าเป็น เป็นแบบทดสอบของเรานะว่าเราจะผ่านได้หรือไม่จะว่าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่นะเป็นสิ่งที่เราผ่านพรประสบนี้นะก็ล้วน แ, วแต่เป็นเครื่องฝึกใจเราได้ทั้งสิ้นไม่ว่าอิทธารมหรืออนิถารลมที่จริงแล้วนี่อนิถารลมหรือว่าร้วกลิ่นเสียงที่หรือสัมผัสที่ไม่น่าพอใจนี่ มันเป็นบททดสอบเบื้องต้นเลยทีเดียวเพราะว่าธรรมชาติของเรามักจะไม่ชอบเราจะมีท่าทีปฏิเสธผักสายมันตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำให้เราทุกง่ายให้ความโกรธความหงุดหงิดนี่มันทำให้เราทุกใจได้มากกว่าความเพลิดเพลินหลงไหลนะความเพลิดเพลินหลงไหลนี่มันอารมณ์มันฟนะูไม่รู้สึกทุกข์เลยมันเป็นสุขเลยซ้า ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แต่ความโุดหยินิเสณนะมันรู้สึกได้ทันทีแล้วว่ารุ่มร้อนจิตใจรุ่มร้อนเราถูกบีบคั้นผู้ฉลาดนี่ก็ก็จะรู้จักนะเปลี่ยนให้มันเป็นของดีเป็นการบ้านเป็นแบบฝึกหัดนะหรือเป็นอาจารย์ก็ได้นะ ยังมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อพุทธทานิยโยนะซึ่งท่านก็มรณภาพไปหลายปีแล้วท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องนะในเรื่องของภูมิรู้ภูมิธรรมตอนที่ท่านยังหนุ่มท่านก็ไปจำพรรษาที่อุบลวัดก็ไม่ได้อยู่ไกลจากในเมืองวันหนึ่งก็ไปเดินมิณบาต ก็เห็นผู้หญิงกับลูกชายอายุสักสีห้าขวบยืนรอใส่บาตรอยู่ยท่ทานก็เดินเข้าไปหาพอเดินเข้าไปใกล้ๆเด็กคนนั้นก็จู่ๆก็พูดขึ้นมาว่ามึงบอแม่นพระดอกมึงบอแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระหรอกมึงไม่ใช่พระพอท่านได้ยินท่านก็ฉุนเลยนะเกิดความไม่พอใจแต่สติ ท, ท่านก็ไวพอนะพอรู้นะ ว่าเกิดความไม่พอใจก็มีความพูดหนึ่งพูดขึ้นมาในใจทันทีเลยว่าจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระนะเราต้องไม่โกรธแล้วท่านก็ความโกรธก็ดับหายไปเลยแล้วท่านก็เดินเข้าไปรับบาตรนะจากผู้หญิงคนนั้นด้วยสีหน้าปกติ ภายหลังเวลาท่านพูดถึงเรื่องนี้นะท่านก็จะพูดว่าเด็กคนนั้นอ่ะคืออาจารย์ของท่านนะเด็กคนที่พูดจาหยาบคายกับท่านเนี่ยท่านถือว่าเป็นอาจารย์มาเป็นอาจารย์ท่านในหน้าที่มาเตือนให้ท่านรู้ว่าท่านยังต้องต้องฝึกฝนในเรื่องใดบ้างเพราะว่าท่านเผลอนะเผลอโกรธไป เผอไม่พอใจแทนที่ท่านจะไปโกรธเด็กนะท่านกลับขอบคุณเขานะที่ทําให้ท่านได้ได้รู้เท่าทันตัวเองนะแล้วก็รู้ว่าโอ้อ น, นี้เรายังต้องฝึกนะเรายังไม่ใช่พระนะเรายังโกรธอยู่นะอันนี้เราเป็นวิสัยของของบัณฑิตนะเป็นวิสัยของนักปฏิบัติแทนที่จะส่งจิตออกนอกเมื่อมีอะไรมากระทบให้ไม่พอใจ ก็กลับมารู้ทันใจของตัวเองแล้วก็สามารถเทียเปลี่ยนคำพูดหรือการกระทำนั้นให้กลายเป็นของดีนะักปฏิบัตินี่ต้องฉลาดนะในการที่จะเปลี่ยนคนที่ต่อว่าเราให้กลายเป็นอาจารยนะ์ไม่ใช่มองเขาเป็นศัตรูแต่เปลี่ยนเให้กลายเป็นอาจารย์เลยนะั่นก็ที่ท่านหลวงพ่อพูดท่านมองเด็กคนนั้นเป็นอาจารย์ของท่าน ก็มีแต่ความขอบคุณนะไม่มีความรู้สึกโกรธอันนี้เราได้กําไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ฉลาดไม่มีสติพอเนี่ยก็จะขาดทุนเลยนะคือประการแรกก็โกรธนะโกรธความโกรธนี่มันก็เผาใจายอยู่แล้วประการที่2ไม่ได้อะไรเลยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลวงพ่อพุธนี่ท่านนอกจากจะไม่โกรธแล้วท่านยังได้กําไร ก็รู้ว่าเออเราต้องฝึกฝนอีกนะเราต้องฉลาดนะในการเปลี่ยนนะคนที่ว่าเราให้กลายเป็นอาจารย์อาจจะคอจะสอนเราในเรื่องอื่นได้ด้วยเช่นสอนให้เราอดทนสอนให้เรามีขันตินะไม่ใช่เพียงแค่สอนให้เราหรือชี้ให้เรารู้ว่าเรามีจุดบกพร่องอย่างไรบ้างจยางที่พระเจ้านะจัดเลือกบุคคลที่นะติดติงนี่ว่าเป็นผู้ชี้ขุมศัพย์ หลวงพ่อพูดท่านคงจะมองว่าเด็กคนนั้นคือผู้ชี้ข่มซับให้แก่ท่านเหมือนกันนะท่านก็เลยเรียกเด็กคนนั้นว่าอาจารย์ถ้าเราฉลาดในการเปลี่ยนคนที่ต่อว่าดาทอหรือทํากิริยาไม่สุภาพกับเราว่าเป็นอาจารย์นะเราก็จะได้กําไรมาแมลงที่มารบ ก, กวนนะทำความงุดหยุดลาคาญใจใกับเราก็เป็นอาจารย์ให้กับเราได้นะอย่าไปมองก็เป็นศัตรู มองเขาเป็นอาจารย์ที่สอนให้เรามีสตินะทำให้เราได้ทำให้เราได้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นฝึกให้เราได้รู้ทอดทันทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นหรือว่าเมื่อเราเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจนะมันก็ทาให้เราได้มีการบ้านได้เรียนรู้ที่จะเท่าทันความหงุดหงิดนั้นแล้วถ้าเราสบายอยู่ในห้องแอร์ ก็คงไม่มีความหุดหยิดที่จะมาเป็นอุปกรณ์ให้เราได้เรียนรู้ที่จะเท่าทันมันถ้าเราอยู่แต่ในที่ที่สบายเราจะขาดทักษะขาดความเชี่ยวชาญในการรับมือกับความหุดหนิดความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะมันสบายมากเนี่ยพอสบายมากแล้วก็เลยไม่รู้จักในการรับมือกับอารมณ์ที่มันเป็นลบ พอมันเกิดขึ้นก็เสียผู้เสียคนได้ในสาพุต ก, การนี่มีพรามคนหนึ่งนะเป็นเศรษฐีด้วยนะชื่อนางเวเทหิกามีบริษัทบริวารเยอะนะแล้วเธอก็อดอภูมิใจในตัวเองไม่ได้ว่าจิตใจสงบนะราบเรียบทั้งวันเนี่ยจิตใจสงบไม่มีความโกรธไม่มีความกระเพื่อมเลย แล้ววันหนึ่ง เ, เธอก็อวดคุยอวดโม้เลยนะวันนี้ฉันนี่นะได้ฝึกใจมาอย่างดีวันหนึ่งก็นางทาสีนะก็อยากจะทดสอบว่าเป็นของแทหรือเปล่าก็แก้งนอนตื่นสายพอนอนตื่นสายนี่นะอไอ ง, งานการต่างๆที่ควรทําก็ไม่ได้ทําพอเห็นเช่นนี้เนี่ยพอรู้เช่นนี้นางเวทิกาก็โกรธนะว่านะ ดาเสีย ห, หายเลยไอ้ความสงบความราบเรียบที่เคยมีนี่มันหายไปหมดเลยแล้วนางทาสีอเนี่นก็ชี้เห็นแล้วว่าว่าที่เจ้านายเนี่ยจิตใจสงบราบเรียบนี่ไม่ใช่เพราะว่าปฏิบัติตัวดีหรอกไม่ใช่เพราะว่าฝึกใจดีแต่เป็นเพราะว่าทุกอย่างหรือเหตุปัจจัยภายนอกนี่มันราบเรียบนั้นะแล้วเธออยู่กับความราบเรียบแบบนี้ความลงตัวแบบนี้ ทุกใครใครๆก็เอาแต่ตอบสนองเธอตามใจเธอเธอก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยก็เลยเข้าใจผิดว่าที่ราบเรียบนะที่ใจสงบนี่เป็นเพราะว่าฝึกใจมาดีแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าอะไรต่ออะไรนี่มันมันเป็นไปตามที่ใจเธอต้องการต่างหากพอเธอเธอไม่เจออะไรที่สะดุดใจบ้างไม่เจออะไรที่ขัดใจบ้างก็เลยไม่รู้ วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์หงุดหงิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นปุ๊บนี่ก็เสียท่าเลยนะโกรธนะด่าว่านะต่างทาสีเ ส, เสียให้หายอันนี้เรียกว่าสอบตกนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอกันบ้านที่มันอยากๆนะหรือไม่เคยเจอกันบ้านที่มันแม้แต่จะง่ายๆเลยได้ซ้ําำนั้นนกปฏิบัติเราต้องฉลาดนะฉลาดในการที่จะ มองสิ่งที่มากระทบที่เป็นอนิจธารมคําพูดการกระทําที่ไม่น่าพอใจนะให้เป็นให้เป็นแบบฝึกขัดให้เป็นการบ้านของเราเราจะมองว่าสิ่งที่มากระทบเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นของดีก็ได้เราต้องฉลาดนะในการที่จะเปลี่ยนคําพูดคําต่อว่าด่าทอให้กลายเป็นธรรมเป็นของดี สมัยหนึ่งหลวงพ่อทองรัตน์นะกันตศรีโลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มัน่นท่านมีบุคลิกที่เรียกว่าผงผางนะพูดจานี่ก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าใจท่านนี่มั่นคงหนักแน่นเรียกว่าท่านบรรลุธรรมนะขั้นสูงทีเดียวแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจท่านบางทีท่านพูดกับญาติโยมเนี่ยโดยพ่อที่รู้จักกันดีท่านก็พูดแบบ เป็นกันเองก็มีบางคนที่ไม่พอใจวันหนึ่งท่านไปบินธบาตก็มีโยมเนี่ยเขียนบัตรสนเทศใส่บาทท่านท่านรู้เลยนะว่าไอ้บัตรนั้นเนี่ยไอ้กระดาษที่ย่อนลงไปเนี่ยมันคืออะไรพอไปถึงวัดนี่ท่านก็นะหอมจีวรแล้วก็นุ่งสังคติอย่างดีเลยนะผ้าสังคติอย่างดีเลย เก็เล็กเนนมาบอกว่าลูกๆ ล, ลูกเนรมานี่นะมาอ่านให้ฟังหน่อยนะมีของดีนะวันนี้ได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาละวันนะี้ได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาละนะหายากนะเนี่ยมาอ่านให้ฟังหน่อยอันเนรก็อ่านให้ฟังนะข้อความทีเขียนทํานองวันเนี่ยพระถีบ้านะไม่มีศีลไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความสํารวมไม่มีศีลไม่มีวิน ประจบสอพอชาวบ้านภาพแบบนี้แม้จะหเหาเินเดินอากาศได้ก็ไม่เคารพให้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะเอาลูกตะกวมาฝากมาสนเทะนะพอเนนอ่าน จ, จบนะหลวงพ่อทองราชท่านก็บอกเนาะวันนี้ของดีนันเนี่ยนะเก็บใส่เก็บใต้ฐานพระไว้เลยนะเอามรตกธรรมจากเทวดาเชื่อแหละนะเพิ่งรู้วันนี้เองนะว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้นะ แต่ก่อนนี่ได้ยินแต่เขาพูดกันว่าเนี่ยโลกธรรมคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศได้สารเสินินทาสุขทุกข์นะแต่วันนี้นี่ได้เห็นของจริงเลยนะเก็บเอาไว้เลยนะหายากนี่คำด่านะท่านไม่โกรธนะแต่ท่านกลับมองว่ามันเป็นธรรมอมลิตนะจากเทวดาเลย ถ้าไม่ได้เห็นถ้าไม่ได้หมอว่าคนที่เขียนคำสนเทศบัตรสนเท ศ, เทศด่าว่าท่านนี่เป็นเป็นคนร้ายคนเลวนะมองเป็นเห็นเป็นเทวดาไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิสัยของบัณฑิตวิสัยนักปฏิบัติธรรมนะต้องฉลาดในการเปลี่ยนนะคำต่อว่าตะทอให้กลายเป็นธรรมะนะที่สอนหรือเปิดใจให้เราเห็นหรือเกิดปัญญาขึ้นมา สอนอย่างนั้นก็สอนเรื่องโล ก, กธรรมได้หลวงพ่อพุธนี่ท่านมองเด็กคนนั้นเป็นอาจารย์ส่วนหลวงพ่อทองรัตน์นะท่านมองคําต่อว่าดาทอให้กลายเป็นอมฤตธรรมจากเทวดานี่เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะเปลี่ยนของเลวเป็นของไม่ดีให้กลายเป็นของดีได้หลวงพ่อมีคำเขียนนั้นเคยพูดว่าเนี่ยภาวนานะก็คือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี เป็นคำนิยามหรือเป็นคำอธิบายที่กระชับมากภาวนาคือการเปลี่ยนล้ให้กลายเป็นดีเปลี่ยนร้ายนี่อาจจะหมายถึงอารมณ์ภายนอกที่มากระทบนะที่มันร้ายร้ายนะที่มันมารบ ก, กวนที่มารังควานทางรูปทางหูนะทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายนะถ้าเราสามารถจะเปลี่ยน สิ่งลายลายแบบนี้สิ่งที่เป็นลบแบบนี้ให้กลายเป็นของดีให้กลายเป็นอาจารย์ให้กลายเป็นธรรมะให้กลายเป็นการบ้านฝึกใจเราอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นนักภาวนานะหรือว่าอารมณ์ภายในก็ได้นะอย่างหลวงพ่อคำเขียนก็พูดอยู่เสมอนะว่าเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นความไม่โกรธนะถ้าเราทํานี้ได้เราก็เรียกว่านักภาวนานะ ความโกรธเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธได้ยังไงนะก็เมื่อเจอสติสตินี่มันเข้าไปเปลี่ยนนะความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงให้กลายเป็นความรู้นะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูกไดนะ้เราต้องฉลาดนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายใน แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะการที่เราจะรู้จักเปลี่ยนอารมณ์ภายนอกที่มันร้ายกลายเป็นดีได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการรู้จักเปลี่ยนอารมณ์ภายในก่อนนะความโกรธความฟุ้งซ่านความเบื่อความเซ็งนะเปลี่ยนความเบื่อความเซ็งให้กลายเป็นความไม่เบื่อไม่เซ็งหรือว่าเปลี่ยนความโกรธนอกจากจะไม่เป็นความไม่โกรธแล้วสามารถจะเปลี่ยนเป็นความรักความเมตตาเป็นความเข้าใจก็ได้ นะอย่างที่หลวงพ่อพูดท่านเปลี่ยนความโปรดที่มีต่อเด็กคนนั้นนะให้กลายเป็นความรู้สึกขอบคุณเสมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นอาจารย์อันนี้เป็นกันบ้านนะที่ที่เราควรจะนําไปปฏิบัติสม่ําเสมอนะอย่าไปติดที่รูปแบบนะว่าต้องยกมือต้องเดินอย่างนั้นอย่างนี้นะ ถึงแม้เราจะยกมือเราจะเดินทั้งวันแต่ใจเราคุกรุ่นนะใจเราหงุดหงิดนะมีความไม่พอใจดินฟ้าอากาศมาแมลงที่มารบกวนเสียงที่มากระทบแล้วก็ปล่อยให้มันรบกวนจิตใจเราอย่างนั้นหมายถึงอารมณ์นะปล่อยให้อารมณ์มารบกวนจิตใจเราอย่างนั้นนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นนักภาวนานะเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยน อารมณ์ลายลายนี้ให้กลายเป็นดีเลยเราสามารถที่จะรักภาวนานี้นอกจากอารมณ์ที่เปลี่ยนจากความโกรธเป็นความไม่โกรธแล้วนี่สามารถที่จะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นธรรมะได้ด้วยก็คือว่าสามารถที่จะเห็นธรรมะเห็ในใจรักนี่จากอารมณ์เหล่านี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจากอารมณ์เหล่านั้น อารมณ์เหล่านี้ก็สอนทําให้กับเราได้นะมันสอนทําให้กับเราได้ดีทีเดียวอย่างถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้จักมองนะอย่างน้อยเราก็รู้จักที่จะเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันเพียงแค่เพียงแค่ เ, คเห็นไม่เข้าไปเป็นนี่ก็ช่วยทําให้มันหมดพิษสงไปได้เยอะแนะ้วก็คือว่ามันทําอะไรเจตใจเราไม่ได้เข้าไปในเมืองเจอ แดดร้อนเจอเสียงดังมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นอ่ะรู้ทันเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นไม่ค่อยไปเป็นผู้หงุดหงิดนั้นแต่ว่าเห็นความหงุดหงิดอันนี้ก็ช่วยได้แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนใอารมณ์เหล่านี้ให้กลายเป็นธรรมหรือว่าทําให้เราเนี่ยได้เห็นทำแจงแจมแจ้งจากอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ภายนอกเช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะมองให้เห็นเป็นธรรมะได้ แม้แต่เดี๋ยวว่าแต่อารมณ์ที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดเกิดปฏิกะไรเลยนะอารมณ์ที่ทําให้เกิดการมชันทะนะคือร่อรายร้อยย้อยนให้เกิดความหลงไหลความเพลิดเพลินนะอย่างที่ได้เล่าถึงพระนักสมานพระนักสมานที่ท่านเห็นหญิงฟ้อนรําซึ่งสําหรับหลายคนเห็นแล้วก็เกิดราคะแต่ว่าท่านมองเลยนี่ นะท่านสามารถเทียบเปลี่ยนให้เป็นธรรมะได้ว่าโอ้นี่แหละนะมันเป็นบ่วงแห่งมานเป็นบ่วงแห่งมัจจุราชนะถ้าใครตกไปถ้าใครหลงไปนะก็เสร็จมันทําให้ท่านเห็นโทษของสังขารนะว่ามันเต็มไปได้วยโทษเป็นนันตรายเห็นพอเห็นอย่างจําแจ้งนี้จิต ก, ก็หลุดพ้นเลยนะจิต ก, ก็หลุดพ้นนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยจากภาพที่สามารถจกระตุ้นให้เกิดราคะ หรือการมาฉันทะนะแก่คนทั่วไปได้หรือท่านสุนทรสมุติที่ถูกเล่าโลมนะด้วยผู้หญิงที่เอ่อที่สวยที่แต่งตัวสวยงามนะแล้วก็อยากจะได้ท่านมาเป็นสามีนะล่อหลอกด้วยลูปด้วยซับนะจะยกซับสมบัติให้ด้วยนะแต่ว่าท่านกลับเห็นว่านี่แหละนะมันคือทุกข์นะ สิ่งที่เห็นตอนน้าเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงทุกอย่างชัดเจนของสังขารที่ไม่น่าจะไม่ควรจะหลงไม่ควรจ ะ, ะยึดเลยพอท่านเห็นนี้ปัญญาก็เกิดกับท่านอย่างแจ่มแจ้งเห็นสิ่งผิดให้กลายเป็นธรรมะ ก, ก็จะเห็นสิ่งที่ย่อรนะ่อาย่อหยวนให้กลายเป็นธรรมะก็ได้นี่เรียกว่าเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีคนที่เป็นนักภาวนานี่ต้องต้อ ง, ต, องต้องฉลาดนะในการเปลี่ยนแบบนี้นะ คนภายนอกหรือว่าโลกเนี่ยในคนทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึงเปลี่ยนไายกายเป็นดีคือไปจัดการกับสิ่งนั้นไปจัดการกสิ่งไล่ลายนั้นเช่นเสียงดังก็ไปดับเสียงเงินเสียไปหยุดเสียงเงินเสียอากาศร้อนนะก็เปลี่ยนให้กลายเป็นอากาศเย็นซะเปลี่ยนไายกายเป็นดีของสําหรับคนทั่วไปคือเข้าไปจัดการกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นแต่ว่า นักภาวนานี่ไม่ได้เปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ข้างในนะเปลี่ยนอารมณ์ร้ายๆหรือความรู้สึกที่เป็นลบนี้ให้กลายเป็นเป็นดีนะหรือว่าเปลี่ยนมุมมองนะทำให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นธรรมะนะที่สอนทำให้เกิดปัญญาได้อันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องไม่ต้องจับหลังนี้ให้ได้ ไม่ว่าเจออะไรร้ายๆมาอย่าไปเผลอโกรธมันจะไปเผลอขุนเคืองใจอย่าไปเผลอมองมันเป็นศัตรูให้มองว่าเนี่ยคือธรรม ะ, ะคือโอกาสที่จะฝึกให้เรามีสติเป็นสิ่งที่จะสอนใจเราให้เห็นธรรมะเจ็บป่วยนะอันนี้สําหรับคนทั่วไปเป็นเรื่องร้ายนะแต่ว่าสําหรับนักภาวนาแล้วนสามารถที่จะ เกิดรรมีปัญญาได้นะจากความเจ็บป่วยจริงๆนะอย่าว่าแต่นักภาวนาเลยนะคนที่เขาอาจจะเป็นคนทั่วไปเขาก็ฉลาดในการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้นี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะแกป่วยเป็นมะเร็งและมะเร็งที่แกเป็นนี่มันต้องใช้การรักษาด้วยหลังสี แล้วก็เคมีบําบัดในปริมาณที่สูงมากซึ่งคนทั่วไปเนี่ยพอเจอการฉายแสงในปริมาณที่สูงหรือเคมีบําบัดที่สูงเนี่ยก็จะแพ้อย่างแรงแต่ว่าผูพยิงคนนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลเนี่ยพอโดนฉายแสงพอโดนเคมีบําบัดในระดับที่ว่าเนี่ยก็มีอาการแพ้น้อยมาก คนก็สงสัยว่าเธอทำได้อย่างไรนะมีดีตรงไหนนะหรือว่าร่างกายเธอนี่มันมีดีมันมีดเอทีอ่ที่ทำให้ไม่แพ้ต่อการรักษาแบบนั้นแต่เธอตอบว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพียงแต่ว่าเวลาเธ อ, อได้รับการฉายแสงเธอก็มองว่าเธอกำลังได้รับแสงสวรคร์เวลารับเคมีบาบัดเธอก็มองว่าเธอกาลังได้รับน้าทิพย์ ให้ความรู้สึกว่ากำลังได้รับแสงสว่างกำลังได้รับน้าชิปเนี่ยทำให้ใจเธอเนี่ยนะรับยอมรับไม่ปฏิเสธสารเคมีหรือว่าลังสีเหล่านั้นพอใจเธอยอมรับไม่ปฏิเสธร่างกายเธอก็พรอยยอมรับตามไปด้วยมันก็เลยไม่มีอาการแพ้อันนี้ก็เรียกเป็นการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ลังสีไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ตัวเคมี แต่เปลี่ยนที่ใจนะคือมองว่าเนี่ยเอออันนี้แหละคือแสงสว่าง น, นี่คือน้ําทิพย์นี่ขนาดอหัวนกักพยาบาลคนนี้แกไม่ใช่นักภาวนานะแต่ว่า อ, อหรือไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแต่ว่าเธอก็ฉลาดพอนะที่จะเปลี่ยนแให้กลายเป็นดีได้อ้เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมหรืออ้างตัวเป็นนักภาวนานี่ต้องต้องทําได้ไม่น้อยไปกว่านี้นะหรือว่าทําได้มากกว่า น, นั้น น, นถ้าเราโกรธง่ายนะมีอะไรมากระทบก็โกรธง่ายนะมีอะไรไม่ถูกใจก็ฉุนเฉียวหรือ ว, ว่ามีอะไรมากระทบก็ลหลงไหลเคริบเคริบนะอันนี้เรียกว่าอาสอดตกแล้วเราต้องฉลาดนะนอกจากจะสรงใจให้เป็นปกติแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหาประโยชน์จากมันให้ใหได้ด้วยนะอันนี้เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากอ น, นิจจาารมณ์ อิทารมก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องหาประโยชน์ทำให้ได้อิทธารมที่มันเป็นลบหรือว่าที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นราคะก็เปลี่ยนให้กลายเป็นของดีนะแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทุกข์กับอิทารมเท่าไหร่มันเป็นทุกข์กับอนิถารมมากกว่านะเสียงดังคำติชินนินทาการกระทาที่อ่ไม่แสดงความเคารพหรือว่า ความเจ็บป่วยความสูญเสียพัดพรากเงินหายของหายนะนักภาวนานี่นะจะไม่ทุกขนะ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะมองว่านี่เขากำลังแสดงทำให้เราเห็นนะเรื่องอนิจจังเรื่องความไม่จริหลังของสิ่งต่างๆเป็นของดีแล้วเนี่ยนะเือนกับที่หลวงพ่อทองรัตนะ์ท่าน บอกเนว่าเนี่ยของดีแล้วนะอมริต ธ, ธรรมจากเทวดาถ้าเราลองมองว่า เ, ง, เงินหายของหายนี่นะมันก็เป็นธรรมะที่เทวดาส่งมานะเพื่อให้เราได้เข้าใจเรื่องอนิจจังเพื่อเราได้เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงหรือมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเนี่ยวันนี้นี่ยังดีนะที่เจอแค่นี้นะต่อไปจะเจอหนักกว่านี้ มองแบบนี้บ้างว่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าวันข้างหน้าเราจะต้องเจอหนักกว่านี้วันนี้หายแค่เงินวันนี้หายแค่รถนะแต่ว่าพรุ่งนี้วันหน้ามีเท่าไหร่ก็หายหมดศูนย์หมดนะเพราะว่าต้องตายมองว่าอันนี้เป็นสัญญาณเตือนก็ได้สัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทนะเราจะต้องเจอ สิ่งที่หนักกว่านี้ในวันข้างหน้าแลวถ้าเรายังทำใจกับความสูญเสียน้อยนิดไม่ได้นะแล้ววันหน้าเราจะทำใจรับมือกับมันได้อย่างไรนะถ้าเราเมองวันนี้เราก็เรียกว่าได้กำไรนะนะเป็นวิสัยของนักภาวนานะที่จะเปลี่ยนสิ่งเล่ๆให้กลายเป็นของดีได้อย่างที่หลวงพ่อกำเขียนไดได้พูดเอาไว้ เอาคำี้ก็พูดกันท่นี้นะเอาคลับ